เดินจงกรมก็มีสติกำหนดรู้อยู่ที่กายที่ใจอย่างนี้แหละพยายามประคองใจอันนั้นอย่าให้มันคิดสงสัยไปทางอื่นนั่งภาวนาอยู่ก็เหมือนกันก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้น น, นั่นเองดังนั้นจิตมันจึงเป็นสมาธิได้ อันนี้ท่านเรียกว่าอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นเมื่ออินทรีย์เหล่านี้มันไม่แก่กล้าแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้จะสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องมั น, เ, นเมื่ออบรมสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสตินั่นแหละควบคุมจิตไว้วควบคุมจิตให้ อยู่ในกรรมฐานให้กรรมฐานมันแจ่มแจ้งขึ้นในใจเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมฐานแล้วมันก็ไม่ฟุ้งไปทางอื่นนะมันก็สงบลงได้เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงได้แล้วก็จเจริญปัญญาต่ อ, อ ผด้ใดเมื่อควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วอย่างี้เมื่อฟังธรร ม, มะที่ท่านอธิบายชี้แจงให้ฟังไปมันก็เข้าใจได้จําได้ซะด้วยอนี่แหละบ อ, บอกเกิดแห่งปัญญาทางเบื้องต้นเลยทีเดียวได้แก่การฟังเนี่ยอืแต่มันต้องควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นเนะถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วฟังอะไรไม่ไม่รู้เรื่องหรอก ไม่เข้าใจความหมายเลยเพราะว่าเรื่องใดๆมันออกมาจากดวงกิดนั้นทั้งนั้นเลยผู้นะ้นำสั่งสอนมันก็เอาออกมาจากดวงกิดนั้นนั่นแหละผู้ฟังก็เอาดวงกิดนั่นแหละรับรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันยังค่อยเข้าใจได้ เมื่อเข้าใจได้แจ่มแจ้งแล้วมันก็ลงมือปฏิบัติตามได้เลยก็เหมือนอย่างบุคคลเดินทางไกลแต่ไม่รู้จักทางนั้นแน่นอนก็ไปถามผู้ที่ท่านเคยเดินทางสายนั้นมาแล้วเมื่อท่านชี้แจงเน้นํำให้ฟังว่าทางนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็มีทาง แยกอยู่ตรงนั้นแย่าไปทางขวาอย่าไปทางซ้ายเมื่ออะไรอย่างนี้นะเพื่อนแนะนำให้ตลอดทางแล้ววันนี้ผู้นั้นจาได้แล้วมันก็ไม่ขัดข้องนนในการเดินทางนะมันก็ก้มหน้าเดินไปตามนั้นเลยอมันก็ไปถึงจุดหมายได้ถ้าจำระยะทางที่ท่านแนะนำให้ทราบแล้วนั้นได้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการฟังธรรมก็เหมือนอย่างว่าท่านแนะนำหนทางออกจากทุกข์ให้นั่นเองเนี่ยบันนีทางนี้เป็นทางดำเนินของดวงกิตบั น, นีนีไม่ใช่เป็นทางดำเนินของร่างกาย น, นัยนะพอเราได้ยินได้ฟังจำแนวทางนี้ได้แล้วก็ โอ้ทางนี่เป็นทางตรงไปสู่ทางคนทุกข์อย่างนี้มันก็รีบลงมือทําเลยนั่นแลลงลงมือดาเนินเลยฝ <c oughs> ึกจิตใจตัวเองเข้าไปให้มันเป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำนั้นมันก็เห็นผลได้จริงๆเลย เพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นลงไปแล้วมันเป็นจิตเบาปลอดโปรงไม่เอืดอัดขัดข้องอะไรความเกลียดคร้านอะไรก็หายไปหมดความหดโถงท้อแท้ใจต่างๆมงพวกนี้ก็หายไปเมื่อใจมันสงบลงไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันต้องสงบโดยถูกต้องนะสงบ อีกแบบหนึ่งนั่นน่ะเที่ยงเลยว่าโมหะสมาธิโมหะสมาธินี่มันเข้าไปสงบโดยไม่รู้ไม่คิดอะไรโดยไม่ได้กำหนดอะไรเป็นอารมณ์คิดเกียดคิดแล้วก็ไปสงบอยู่เฉยๆนี่นั่น หรือบางทีมก็ความอง่วงเหงาคอบงำแล้วก็เข้าไปซึมเซออยู่เฉยๆอย่างนี้นะ อ, นนอันนั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆมันต้องผ่านการผ่านจากความเพียรพยายามระงับกิเลสอันเป็นข้าศึก แกสมาธิภาวนานั้นไปก่อนอเช่นเริ่มต้นเดินนั่งสมาธิเขาไว้แล้วมันเกิดง่วงขึ้นมาเอาชําระความ ง, ง่วงนั้นออกจากคลายจากใจมันได้ซะก่อนเมื่อคลองห่วงระงับไปบางทีมันก็เกิดจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาบอกอะไรอย่างนี้เลยก็ต้องต่อสู้กับจิตที่ฟุ้งซ่านอย่างนั้น ใครมันลังงับลงไปบางทีมันก็เกิดสงสัยลังเลเรื่องบาปเรื่องบุญขึ้นมาเอาก็พยายามพิจารณาให้มันหายสงสัยให้ได้บางทีนั่งภาวนาไปเอามันวิตกไปหาความรักความใคร่ความเกลียดชังในบุคคลหรือใน สิ่งของที่ไม่ต้องการอะไรหมดนั้นโมนี้แนีใจมันยึดสิ่งใดเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วกิเลสอันนั้นเนี่มันจะผักดันจิตหรือมันจะสแสดงบทบาทออกมาทำให้จิตวิตตกวิจารณไปตามเรื่องนั้นๆันเมื่อได้ระงับเรื่องนั้นไปโดยลาดับลำดั บ, ดบหมดแล้วอย่างนี้จิตมันรวมลง เป็นหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นสัมมาส ม, มาธิได้เลยแบบนี้นะเป็นการตั้งจิตไว้โดยชอบก็อย่างนั้นสมาธิอย่างนี้หลยเป็นบาตของวิปัสสนาได้อเพราะว่าเมื่อผ่านระงับกิเลสเหล่านั้นไปได้แล้วมันก็ผ่องใสเบิกบานมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาจิตเมื่อมันเบิกบานผ่องใสแล้วมันพิจารณาอะไรมันก็ เห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างนั้นพิจารณาถึงเรื่องบาปก็เห็นบาปชัดพิจารณาเรื่องบุญก็เห็นบุญชัดเจนอย่างนี้แหละพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มันก็เห็นแจ้งอืม เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้แร้ว่าเห็นพร้อมทั้งอุปมาอุปมาหรือว่าลักษณะอาการของความไม่เที่ยงนั่นจะปรากฏในจิตนั่นเช่นอย่างว่าเอา้าเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะมันก็เอาไปเผากันเถะสำหรับทุกวันนี้นะ เสร็จแล้วก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกอย่างนี้ภาพอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ภายในจิตใจนูน่นร่างกายอันนี้ผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยังจิมมาหลงรักหลงใคร่หลงกิดเกลียดหลงชังโรคกายอันนี้อยู่มันจะสมควรหรือก็ต้องพิจารณาให้ เห็นอย่างนี้อย่างนี้แหละการปฏิบัติการอบรมเพื่อให้อินทรีย์มันแก่กล้านะให้พึ่งเข้าใจอินทรีย์ห้าเนี่ยต้องเรียนให้รู้สิ น, นั่นแหละเมื่อเรียนรู้แล้วแล้วก็จพยายาม ฝหรือว่าอบรมให้อินชีห้านมันเกิดขึ้นในจิตใจของตนนี่ให้ได้อย่างเช่นศรัทธาความเชื่ออย่างนี่นะต้นมีความเชื่อมั่นอย่างไรบ้างนี่มีไหมความเชื่อมั่นในใจของตนในขณะ น, นี้ก็สำรปปวจกรวจดูเลยต้นเชื่ออะไรบ้างเชื่อกรมเชื่อผลของกำไหม เชื่อพระปัญญาตัตรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่มันจะเป็นไปโดยเหตุอื่นนะไม่ใช่ เป็นไปด้วยกรรมคือการกระทําของตนของตนนะไอ้อย่างนี้นะตนตนเชื่อไห ม, มก็ต้องถามตัวเองดูอย่างนี้นะเชื่อไหมว่าเมื่อละบาปแล้วตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นทางลัดทางตรงไปสู่พระนิพพานนะเชื่อไหม หนูนี่มันต้องมันต้องตั้งปัญหาถามตัวเองเข้าไปถ้าตนเองได้ยินได้ฟังมาหรือเหตุผลเหล่านี้ปรากฏในใจมันก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าเชื่อเชื่อมั่นแน่นอนนะอันบุคคลผู้ที่จะไม่ถึงพระนิพพานได้นั่นก็เนื่องมาแต่มันทำบาป ไปสั่งสมบาปไว้และบาปนั่นแหละมันน่วงเหนี่ยวชีวิตจิตใจอันนี้ให้คล่องอยู่ในโลกอันนี้ให้หนีจากโลกอันนี้ห่างไกลจากโลกแห่งความทุกข์แห่งความวุ่นว้ต่างๆไปไม่ได้ก็เพราะบาปนั่นเองนี่บุคคลผู้ไม่คิดที่จะละบาปอากุศลสั่งออกากตนแล้วบุคคลผู